ดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงปลับปลาใจว่ามีรู้สิ้นแตกแปรพันทินท้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกปันดาลด้วยกรรมเก่าหมดกรรมแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดินดนลในจากไม่ต่อไป